ทนที่เริ่มพหัสภาวนาขออกกรุณาปฏิบัติดําเนินตามที่ท่านแนะไว้ในห น, ห น, นังสือ เ, สเรื่องภาวนาเป็นหลัสาระสำคัญของศาสนาแท้คือภาวนาเป็นสำคัญมาก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 เป็นเครื่องบงังคับให้ต้องทํางานเราก็ทําตามเหตุผลแต่ความชํานานของงานและความเข้าใจงานเรายัางไม่เข้าใจเรายัางไม่ชานาญผลก็ยังไม่ปรากฏจึงต้องมีการฝืนเป็นธรรมดาของการทํางานในเบื้องตน้นเมื่อทําไปนานๆความถนิดํานาญในงานก็ค่อยปรากฏขึ้น ความคล่องแคล่วในงานก็ค่อยเป็นไปโดยลาดับผลของงานก็ค่อยปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางที่จะดำเนินงานหนักเบามากน้อยก็โดยลำดับมีความหนักใจก็ค่อยเบาลงไปเพราะรู้วิธีที่จะทำงานนั้นๆตลอดถึงผลก็ได้รับโดยลำดับทางด้าน แต่พราะอย่างยิ่งด้านภาว น, นาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยการฝืนบ้างเหตุที่จะฝืนเพราะเพราะเราอยากดีผู้ที่มาสอนเราก็คือพระนอกจากพระแล้วนำพระศาสนามาสอนศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงไม่ได้ตั้งพระองค์เป็น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 ตัวขาตธรรมคือตรัสว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเลี้ยนเป็นความตรง ต, ต, ต, ต, ต่อความต่อเหตุต่อผลต่อความสควาจริงหรือต่อความเป็นจริงทุกแง่ทุ ก, ทก ม, มุมแห่งธรรมที่แสดงไว้แล้วนั้นพระองค์เป็นผู้รับรองในความบริสุทธิ์แม้พระองค์จะไม่ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้รับรองก็ตามความบริสุทธิ์หมดจด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 หาได้ยากยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแต่เรื่องปลอมๆทั้งนั้นหาความตัดความจริงต่อกันนี้รู้สึกว่าหาได้ยากไม่เหมือนกันก่อนเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของมนุษย์มันปลอมไปเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องมนุษย์ปลอมไปอีกด้วยมีศัพท์แต่ว่าร่างมนุษย์จิตใจปลอมเพราะฉะนั้นคำของจริงหรือคําตัดคาจริงจริงไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ใน จิตใจที่ปลอมๆนั้นได้จึงของปลอมอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่กันได้ด้วยความสนิทเวาลาระบายออกมาก็ออกมาจากความจำปลอมของใจผู้ฟังก็ปลอมด้วยกันต่างอันต่างปลอมฟังกันก็เชื่อและต้มถุนกันไปได้อย่างสะดวกสบายไม่เสร็จไม่หลับในโลกมักจะชอบอย่างนั้นแต่าศาสนาธรรมซึ่งเป็นความจริงไม่มีการหลอกลวงต้มถุน กลับทําให้จิตใจห่างเหินหรือไม่อยากจะสนใจประพฤติปฏิบัติเมื่อห่างเหินความจริงแล้วมันก็มีแต่ความจำปลอมเข้าแทรกซึงหรือรุ่มลุมจิตใจใแล้วความลําบากลาคาญอยู่เสมอนี้เราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทําซึ่งเป็นความจริงจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงส อ, งสอนไม่แล้วจงควรพิสูจน์ความจําปลอมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนว่ามีมานานเท่าไหร่ แล้วจะควรปฏิบัติแก้ไขอย่างไรบ้างความจำเป็มซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราอยู่ไม่แล้วไม่เล่านี้จะได้ค่อยหมดไปโดยลํำดับจะได้มีความผาสุกเป็ี่ยนใจบ้างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั้นเป็นเครื่องที่จะเชิดชูหรือปลกเครื่องสิ่งที่เป็นภัยให้รับความสุขความสบายขึ้นทางด้านจิตใจโดยลําดับภัยธรรมจึงไม่เป็นภัยแต่ผู้ใดทั้งนั้นไม่ว่าสมายัยใด ทำเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่เป็นคู่ควรแก่ใจและมีใจเท่านั้นเป็นผู้เป็นคู่ควรแก่ทําคือ ส, สามารถที่จะรับทําไว้ได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจถ้าใจมันปลอมก็เพราะว่าสิ่งจอมปลอมมันแทรกถึงอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาครอบความจิตทั้งหมดหมดทั้งดวงนั้นกลายเป็นของปลอมไปตาม กันไปหมดจึงทำให้มนุษย์เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ที่ไหนก็มีความผาสุกเย็นใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทําความผาสุกเย็นใจให้เกิดแก่ใครทั้งนั้นขึ้นเชื่อของปรอมเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรการปฏิบัติธรรมะก็ควรจะกําจัดสิ่งที่ปรอมแกงทั้งหลายนั้นออกให้เหลือแต่แก่นให้เหลือแต่ของตีอยู่ภายใน เฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะทําให้เป็นรั้าเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหลังพอสมควรเพราะงานอื่นเราเคยทํามาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ใดจนมาทั้งบัดนี้เรายังทําได้หนักเราก็ทําเบาก็ทำทานมาโดยลําดับจนระทั่งปัจจุบันนี้จะเป็นงานสักสี่ชิ้นและได้่านความหนักเบาความลําบากลาบนทุกร้อนเพราะงานนั้นๆมามาก ม, มายเพียงไร เรายังอุตสาห์ทนกับงานอ น, นั้นมาได้แต่เราจะทำกิจกรรภาวนาคืองานประเภทคุณสมบัติภายในจิตโดยเฉพาะซึ่งเป็นความจําเป็นเป็นงานจําเป็นเช่นเดียวกับงานอื่นๆสําหรับใจของเราทําไมเราจะทําไม่ได้มีเป็นปัญหาที่เราจะแก้กับเรื่องของจิเดชซึ่งเป็นตัวหลอปลวงไม่อยากให้เราทําเบื้องต้น จิตจะเลิมุกคู่ครานพ่อไม่เคยถูกบังคับด้วยอัดด้วยทำถูกบังคับจากจิเลศโดยถ่ายเดียวเรื่องของจิเลศต้องบังคับกิตเสมอบังคับให้ลงทางต่างําเมื่อจิตเราเคยถูกบังคับทางทางฝ่ายต่ําแล้วจะฉุดลากขึ้นมาทางฝ่ายสูงคืออัดทำจึงเป็นการยากอยู่เป็นธรรมดายากกว่าตามเรา ฝื้นเพื่อที่จะฉุดล่าจิตใจที่กําลังถูกร่วงหลุมอยู่ด้วยพิษภัยทั้งหลายนั้นให้พ้นภัยขึ้นมาโดยลำดับเป็นจิตที่ควรทําอย่างยิ่งสําหรับเราผู้หวังความสุขความจเจริญท่านผู้ใดมีความสนใจหรือมีเจตหนิสัยชอบในธรรมบทใดกรุณานำธรรมบทนั้นไปบริกรรมคําว่า ถูกกับเจดีย์นิสัยนั้นได้แต่เวลาเรากําหนดนําบททาบทนั้นมาบริกรรมทดสอบดูจะมีความรู้สึกเบาในภา ย, ยในจิตใจที่คล่องแคล่วภา ย, ยในจิตไม่หนักหน่วงนี่คือว่าถูกกับเจดีย์ของเราเพื่อนพุทโธเป็นต้นถูกแล้วก็พึงนํำทาบทนั้นมากํากับกับใจทําไมจึงต้องได้กำลังนำำําคํำวยกรรมมากํากับใจ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 ล่อจิตหรือเหมือนกับเชื่อมาจจิจให้จิตอาศัยอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆด้วยความมีสติจะจออยู่เสมอไม่ให้พลาดจากกันแต่กหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุโทโธสืบเนื่องกันไปเป็นลําดับําดับเมื่อจิตใจได้ทํางานในหน้าที่อันเดียวไม่มีสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือจิตไม่ได้เล็นลอดออกไปคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นร่วมควรจิตใจให้เกิดความสงบมั่นมุ่นวายจิตก็จะสงบตัวลงไป เพราะอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องมือกูมกดัดไว้โดยสม่ำเสมอกระแสะของจิตที่สร้างไปสถานที่หรืออาการต่างๆหรือวัตถุอารมณ์ต่างๆก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งพุตโทแห่งเดียวเลยการเป็นจุดผูรู้ที่เดินชัดขึ้นมาภายในใจเมื่อใจมีความสงบด้วยอุบายอย่างนี้จนตากฏผลขึ้นมาคือความสุงเกิดขึ้นจากความสงบ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 ใจเมื่อได้รับผลปรากฏเป็นที่พึงพอใจเช่นนี้จะมีความภาคเพียรจะมีความเชื่อมั่นกต่อผลจะเป็นรายละเอียดยิ่งกว่านี้ก็ตามต้องมีอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะเท่าที่ปรากฏนี้ก็เป็นที่พึงใจอยู่แล้วยิ่งได้ทําภาวนาให้มีความละเอียดเข้ามากเข้าเพียงไรผลที่เป็นความละเอียดชุกขุมก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นเดิมดับนี่แหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อความเริ่มใส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 แม้น้อยหนึ่งเขาไปเจือปนภ า, นายในจิตใจหรือไปแทะสงิงปายใน จ, จิตใจเลยได้เกิดจิตของปาหานก็เรียกว่านัดถิดขันติปรลังสุ ข, ขังเช่นเดียวกันเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของจิตหรือเป็นสัญญะสัญชาตยาณอันหนึ่งก็ได้มุ่งหาความสุขความเปริญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าช า, ชาติชันน้นวรรณะใด มีความรู้สึกอยู่เช่นนี้มีความหวังอยู่เช่นนี้หวังต้องจะได้ความสุขความเกริแต่แล้วทำไมโลกนี้จึงเก็มไปด้วยความรุ้มร้อนวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เต็มจิตใจและร่างกายของจัดโลกแล้วทำไมจึงไม่เจอความสุขดังที่มุ่งหมายบ้างไม่มากกาน้อยเพราะเหตุไดก็เพราะว่าแสวงหาความสุขไม่ไม่ถูกจุดอันเป็นที่พึงพอใจ ความสุขที่เราสเสวยหาทั้งหลายนั้นจึงเป็นแต่เพียงมโนภาพที่วาดไปแล้วก็่อความทุกวลให้ตนและเมื่อปรารถนาไม่สมหวังแล้วก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวังจึงควรดําเนินตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วซึ่งความสุขเห็นความสุขประจักษ์พระทัยแล้วและประกาศสอนโลกเราดําเนินตามหลักศาสนธรรม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 การแสวงหาความสุขทางใจแสวงหาอย่างนี้ส่วนภายนอกเราก็พอทราบกันเพราะเราเคยสอดแสงเคยได้อาศัยสิ่งนั้นมาแล้วอันนี้ใครๆก็เข้าใจไม่จำเป็นต้องแนะนำต่างสอนกันที่สำคัญก็คือการสอบแสรงหาความสุขทางหน้าจิตใจอันเป็นหลักสำคัญในร่างกายและจิตใจเราเราควรจะสอบแสงหาวิธีใดถึงจะเจอความสุขจิตใจที่เจอความสุขย่อมไม่ปัดแปลง ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งเฟอ้อเหือเหื่มมีความสงบตัวอยู่เป็นปกติจะอยู่ในอียาบทใดก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสวยงามด้วยความสงบไม่ยิ่งเต้นถึงกระโดดอุภายในจิตใจเพราไม่มีอะไรกวนใจเนื่องจากความสงบเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้รับความสุขความชุ่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเราควรจะส่อแสวงหา ให้เห็นให้เจอความสุขบ้างไม่มากกว่าน้อยท า, ทางด้านจิตใจยากก็ทนบ้างข้อ ง, งานไม่ว่างานไหนต้องฝืนความยุ่งยากต้องฝืนความลําบากต้องฝืนทุกบ้างเป็นธรรมดาเมื่อพอฝืนได้นอกจากเมื่อสุดวิสัยฝืนไม่ได้ก็จําเป็นด้วยกันไม่ว่างานนอกงานไหนงานนอกได้แก่การงานต่างๆงานในได้แก่งานกิจกรรมภาวนาต้องมีความทุกข์บ้างเป็นธรรมนานด้วยกันพระพุทธเจ้า พอเป็นองค์ก็พยายานสำคัญแล้วในเรื่องความทุกข์ความทรมนานเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญพระองค์ก่อนจะได้จาสรูป้ปรากฏว่าสลบไดลถึงสามหนตนาังดคคำว่าสลบก็คือว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็ไปเลยจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะต้องถึงขั้นสลบถ้าไม่ทุกข์มากจะสลบได้ยังไงคนเราต้องถึงขนาดสลบได้เรียกว่ารอดตายอุ่่นยังไงนี่ ครูของเราท่านดำเนินอย่างนี้เพราะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาเพื่อล้างมือเปิ้เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลเหตุ ด, ดีผลดีการทาเหตุได้มากน้อยผลปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทำนั้นไม่ทาเลยผลจะปรากฏมาอย่างไรแต่ความต้องการทั้งเราต้องการความสูกความเจริญความถูกความสมหวังด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าหั ว, วใจใดเราจะนําสิ่งใดมาเป็นเครื่องสนองความต้องการอันนี้ให้สมความมุ่งมากปรารถนาเรานอกจากเราจะทําในสิ่งที่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 เคยคิดโน้นตรงนี้บังคับไว้มั่งการที่เราปล่อยตามจิตคิดไปในแง่ต่างๆตามอารมณ์ของใจนั้นเกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเขี่ยวคว้านเอาความทุกข์ความร้อนอารมณ์ต่างๆเข้ามาเผาร้นจิตจใจจนให้เกิดความเดือดรอ้อนมาอยู่ไม่ขาดมากับตอนเท่านั้นก็ไม่เห็นผลดีอันใดที่เกิดขึ้นจากการปล่อยใจไปตามลาพังของมันเหตการ์ฝืนจิตการทรมานจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆที่งเป็น ยาพิษยาภายัยมาขอตนด้วยอาจทำอันจะนำความสุขมาให้นี้ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได้เพราะเราทราบทางเหตุผลอยู่แล้วว่านี่เราสุขผลทรมานเพื่อหาความสุขเพื่อเอาความสุขเพื่อให้จิตใจของเราดีมีความเป็นสุขด้วยการฝึกการทรมานพระพุทธเจ้าก็เคยฝึกมาแล้วจนฉลาดเลายวฉาวกท่านได้ฝึกมาแล้วทรมานมาแล้วต้องเป็นผู้ผ่าทุกมาแล้วด้วยกันท่านถึงได้รับความสุขอันสมหวัง เราไม่ต้องพันอะไรเลยเจะเอาความส่วนชุมังเลยก็รู้สึกมันจะเปลี่ยนเกินครูไปถึงควรดํานเนินตามท่องรอยของครูว่าพุทธทางสมังทั้งทางสนางฉานนี้ท่านดำเนินยังไงก็ควรดานเนินอย่างนั้นหนักบ้างเบาบ้างทุกยากลาบากบ้างพักทนเอาวถ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทุกโดยกันนั่นแหละถ้าอยู่ที่ไหนก็โทกแต่การบําเพลนตามหลัก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 ตั้งกลับตั้งกันนับไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่สารโลกลายไหนๆก็ถามไม่ต้องการทั้กันทั้งนั้นแต่ทําไมเราจะเป็นผู้ไปเจอเอสิ่นอย่างนั้นเพราะความไม่เอาไหนของใจสมควรแล้วเหรอนี่ปัญหาตั้งถามตัวเองเป็นอุบายของปัญญาที่จะปราบปรามพิเดชที่มันหลอกเราทุกข์เราก็ต้องทนแต่ทุกข์ในทางที่ดีทนบ้าง จิตนี้ถูกกิเลสครอบํามานานอะไรๆก็เป็นไปตามกิเลสทั้งหมดทําแทรกเขาไม่ได้เลยแล้วเวลานี้กําลังพยายามจะเอาทอําแทรกเข้าแผ่นๆอจิตใจเพื่อถุดล่าจิตใจที่กําลังมีคุณค่าอยู่แต่เพราะสิ่ง้วยมีคุณค่าครอบงำเสียจิตจึงหาคุณค่ามาได้นั้นขอยออกมาเพื่อให้มีคุณค่าด้วยธรรมเราฝึกจิตเพื่อมีคุณค่า แต่ทุ้งยากลำบากก็เพื่อเพื่อคุณค่าของใจทําไมจะย่ลำลบากบําบ่นเราต้องหาบายแก้เราให้ได้นี่เราอุบายแห่งความฉลาดของปัญญาแก้ตัวอย่างนี้เราจะให้เสียทีวันคืนปีเดือนกินไปทุกวันทุกวันชีวิตข้าจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเวลานับตื่นลืมตากินไปตลอดสายแล้วจะมีอายุจะกี่ล้านปีก็ก็เถอะ เพาอำนาจแห่กินกันอยู่เสมออยู่ไม่หยุดไม่ถอยเนี่ยมันหมดไปได้เนมันจะเหลือได้ยังไงเป็นนัา่นนานกว่าเธอเพราคางกินอยู่เสมอเวลานาทีกินไปเรื่อยกินไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายแต่ทางเองมันถึงจุดที่หมายเองถ้าหลายนี่ทํำลายไปได้เนี่ยเวลานี้มันยังไม่หมดเขากินไปทุกวันทุกเวลาแต่ยังเหลืออยู่ที่พอเราจะได้แบ่งทําคุณงามความดี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 ธรรมะที่ชั่วก็คือที่ไม่พึงปร่าฐานะนั่นเองความทุกข์ความร้อนความลำบากลาบนอะไรสิ่งที่ไม่ปึงปราฐถนาสู่ในที่นั่นหมดอที่ชั่วนั้นหมดแต่ผู้ปฏิบัติทำแต่ไม่ได้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นการที่ทํำจะรักษาเราไม่ตกไปในที่ชั่วเราต้องผู้รักษาทำรักษาตัวของเราด้วยความการบําเพ็ญความดีทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้บําเพ็ญอยู่เวลานี้นี่คือว่าเรารักษาธรรม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 ไปเกิดในภพกลายชาติปลาประกามผู้ขึ้นชื่อว่าผู้มีธรรมภายในใจและบำเพ็ญคุณ ง, งามความดีไว้ในใจแล้วก็เท่ากับไปเสวยผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นปัจจัท่านสิกะโวนาในเบื้องต้นพยายามทําจิตของเราให้สงบพอจิตสงบเพนั้นผลใงการภาวนาเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามจะ่ทราบภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญด้วยการทั้งนั้น เพราะคำว่าสันติโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองรู้เองนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบแผ่ให้กับผู้ปฏิบัติด้วยกันเสมอกันทุกหลายจะพึงได้รับผลที่ตนผู้ปฏิบัติมากน้อยเพียงไรตามกำลังของตนในทางกาวในเรื่องสมาธิคือความสงบภายในใจสงบจากอารมณ์เครื่องก่อขวนทั้งหลาย เรียกว่าสงบเมื่อไม่มีอะไรก่อขวนถ้าเป็นน้ําก็ใสสะอาดจิตใจก็ผ่องใสตาสัจจอารมณ์เครื่องสิ่งที่คิดตรุงกแกล้งต่าง ๆ, ๆเป็นเครื่องขวนใจใจย่อมสงบแน่วแน่มีความสุขสุขอย่างละเอียดละออนมีความสงบมากเพียงไรความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้ยิ่งละเอียดสุขผมมากขึ้นจนกลายเป็นค ว, ความสุขที่น่าสาัจจ ที่เป็นความสุขที่อัศจเฉยเพียงขั้นเห็งความสงบคือสมาธิเท่านั้นก็แสดงผลนั้นผู้ปฏิบัติเห็นแล้วประจักษ์ใจมีขั้นสมาธิที่นี่ขั้นปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายที่สมาธิรวมตัวกิเลสทั้งหลายเข้ามาสูกิตเรียกว่ามัมมัดไว้คับจิตที่นี่จะเริ่มฆ่าแล้วทีนี้นฆ่าด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดาบอันคมฆ่าเพียว าฟาดพันหันแหลกเละลงไปจิตมันมีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรืติดพันอยู่กับสินไดรากสินใดโกรสินใดเกียดสินใด้อามาแยกมาขยายพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแต่พ อ, อย่างยิ่งคือท่าคืขันตั้งแต่วันเกิดมาอันนี้เป็นความทุกข์ด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วกระทั่งถึงวันตายเราพิจารณาให้เห็นทัดคำว่าอ น, นิจังคืออะไรเราเห็นแต่ในคัมพีบรลานท่านเขียนไว้ว่าอนนี้จังอันนี้จังทุกขังอลาซาอันนี้จั ง, ง, าานนจงาตามความในจริงที่กระทบกระเทือนเราอยู่ ทุกวีดทุกวันทุกวัยร่ำเวลาก็คืออนิจจังของร่างกายนี่เองอะไรแปรสภาพผิดปกติมันก็กระเคลื่นจิตใจเราเรียกว่าไม่สบายเนี่ยทํามันแสดงมากมันไม่สบายทุกขังหมายคำว่าอะไรทุกมันก็ต้กระเกิือนใ่พละสรางการในจิตใจของเรานพละชามีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้บ้างเรากําหนดดูตามอวัยวะต่างๆจะเป็นส่วนใดก็ตามมันเป็นตามความจริงของมันทั้งนั้นรวมตัว จาการผสมเข้ามาเขาเรียกว่าศัตราบุคคลโดยที่มีใจเขาไปครองตัวหญิงนั้นเป็นเจ้าของเพราะว่าเร า, าของเราก็หญิงว่าชายความจริงก็คือธาตุคือขันอาญตนะเป็นเครื่องมือของจิตที่ช้าอยู่เท่านั้นเองเมื่อหมดกําลังแล้วก็สลายตัวลงไปคําว่าสลายตัวลงไปนั้นได้แต่ตายที่โลกสมมุติให้ชื่อกันแหลตายร่างกายนี่มันตายจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ ที่ที่โลกสมมุติว่าเป็นจัดเป็นบุคคลนี้ลงไปสูติธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟใจก็ออกเป็นใจตามเดิมเพราะใจเป็นใจอยู่แล้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นเพียงมาอาศัยเขาอยู่เพราะตอนไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองและเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือธาคือขันเกิดพบนั่นตายพบนี้อยู่เรื่อยๆนี่เพราจิตยังไม่สามารถช่วยตัวเองจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องอาศัยอะไรได้ท <c oughs> ีนเมื่อปัญญาและพิจารณาตามเหตุตามผล ตามภาตามขันตลอดถึงความคิดความตุงของจิตให้เห็นว่าเป็นสภาพอนิจจังทุกขังอัตตาด้วยกันพระจักด้วยปัญญาลงไปโดยลำดับลำดับความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเพราะนั้นเป็นเรานั้นนี่เป็นของเราในอาการใดก็าตามมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาคือปล่อยกรรมสิทธิกรรมสิทธิ์นั้นแล้วเนียกอุปทานเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันกดท่วงจิตใจ ข, ของของเรามานใช้น้อยให้รับความทุกข์ความลำบากก็อุปทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาสอดแทกให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมถอน สิ่งเนี้ความยึดมั่นถือมั่นขามาได้จนลาดับลําดับนี่อถอนขมาจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตอากาหนดเข้าไปจนระทั่งถึงจิตเพื่อของกิเลือตัณหาสมะมารวมตัวอยู่ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นตัดทั้งหมดแล้วไปยึดถือในส่วนใดาอาการใดปัญญาสอดแทรกเข้าไปตัดขาดไปโดยลําดับลําดับที่เหลือไม่มีที่อยู่วิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายจิต ปัญญาตามเข้าไปในจิตพิจารณาค้านคว้าเห็นตามหลักอิการทุกคณาตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปจงกระทั่งถึงเสี้เด็จทนไม่ไายแปกกระจายออกไปจากจิตนี่เรียกว่าทําลายพพชาติเชื่อของภพของชาติมันอยู่ในจิตมันอยู่ในใจถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือจิตเป็นอิสระแล้วไม่ต้องการอาศัยอะไรอีกต่อไปเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บด่า ง, ง, งายที่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 นิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งสมาถึงจิตคือบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นความถูกอย่างยิง่งไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยมีมีคุณค่าเพียงไหลจิตดวงนี้แหละดวงที่ถูกสิ่งไม่มีคุณค่าสิ่งที่จำปลอมสิ่งที่สกปขกโสมมทั้งหลายมันครอบมาม่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อชาระสิ่งสกปรกทั้งหลายสิ่งไม่มีคุณค่าทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับจิตก็กลายเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้งมีคุณค่าอย่างเป็นภูมิถึงขั้นยิสุดที่มักเรือียกว่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 เราเองผู้มีความรับปิดเข้าในตัวเราจรึงเป็นความจําเป็นอยู่ตลอดไปถ้ายังจะท่องเที่ยอยู่ในวัดตาสงสารกราบใดคุณงามความดีซึ่งเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาจึงต้องเป็นความจําเป็นอยู่กราบนะั้นด้านขอให้ท่านทั้งหลายจึ่งเป็นพุทธบริษัทได้นําปฏินิพพ์พิจารณาแล้วปฏิบัติตนอย่าละมีความกระหมัอมนอนใจเดิมชี้ ส, สังขารร่างกายไม่มีกดมีเกณฑ์ดับตายเมื่อไรก็ได้แตกเมื่อไหรก็ได้ไม่ไม่มีอะไรมาเมียมหน้าหนนะึ่งละสิ่งเหล่านี้ได้ แล้วเราเมื่อไม่ประมาทคุณงามความดีทีค่ควรจะตักตวงอเอาเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่ได้เสียถ้าเสียทีไม่เดือดร้อนในภายหลังดูก็เป็นสุกตาได้ก็เป็นสุกไม่มีอะไรเดือดร้อนจึงขอยุติเพียงเท่านี้